มีธุระการงานสำคัญข้างนอกก็ควรจะให้ความสำคัญทางด้านจิตใจก็คืออาหารใจอาหารใจอาหารกายอาหารกายคื อ, คอเราสวัสวงหาทรัพย์อาหารใจก็คือสวงบุญและกวันนี้เป็นวันที่พออลำเพยกับญาติพี่น้อง มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่สงเมืองพิเคาะแน่ที่ล่วงลับไปแล้วพวกญาติพี่น้องทางหลายได้มาทำบุญเห็นเก้าอี้หรือเห็นเต็นที่วางไว้ข้างล่างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ผู้ที่ล่วงลับดับขันไปเนี่ยเราอยู่เบื้องหลัง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 ที่เท่าที่ว่าทาบุญเปิดโลกธาตุนั้นก็คือทําบุญยกประเด็นของโยมแม่ของท่านเป็นวันทําบุญจากนั้นก็อันก็สงเคราะห์แะทบุญอุทิศส่วนกุศลต่อสรรพสัตว์ทั่วโลกแต่อง์โลงตาท่านบากทาบุญเปิดโลกธาตุถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ยังราลึกถึงพระคุณบิดามารดา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 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้พวกเราก็จะทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านมาถึงจุดนี้นะเพราะท่านล่วงลับไปถาว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันะสุขภาระลาบสรรเสริญศุขถ้าว่าผู้ท่านล่วงลับไปแล้วตกทุกข์ได้ยากอย่างไร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 ถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปพ่อแม่ถึงจะผ่านไปมรณภาพไปแต่คุณงามความดีและ ว, ว่าสิ่งที่มรดกที่ท่านมอบให้กับเรายังอยู่กับเราอยู่นะมรดกที่สําคัญคืออะไรที่พ่อแม่มอบให้มรดกที่สําคัญที่สุดก็คือร่างกายของเรา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 ฉะนนขอฝากไว้กับพวกเราคณะจัตยา ญ, ญาติโยมทุกๆท่านเนะี่การสั่งสมคุณงามความดีนําสุขมาให้นะอย่างพระอิน์อย่างที่หลวงพ่อว่านะพระอินอยู่ชั้นดาวดึงผู้ที่จะทําตนให้เป็นพระอินนั้นสร้างบารมีอะไรนะอันนี้ก็มีคนถามนะในครั้งพระพุทธเจ้านะในครั้งพระพุทธกาลเขาถามพระพุทธเจ้า พ, พระพุทธเจ้าเป็น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 ทำให้กว้างขึ้นอีกคนทั้งหลายเกิดเข้าไปยืนอีกผักมักคคมมนกออกไปอีกมักคคมนกก็เออคนทั้งหลายนี่ชอบที่สะดวกสบายฮยากนั้นมัคคมมนกก็จะเป็นงานเป็นการที่ไหนมัคคมมนกจะต้องปัดกวาดทำความสะอาดหาที่นั่งให้เขาด้วยต่อมาคนข้างหลายเกิดมาแย่งที่นั่งเอาให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 ชื่อว่าสาลาสุธรร ม, มาเอกคนหนึ่งบอกว่ า, าน่าจะมีช่อฟ้าขึ้นมานางคนหนึ่งนะานางสุจิตตาเน่น่าจะมีช่อฟ้าจะสวยมากนะทำนักทำขึ้นมาเอกแต่คนนึ่งเอกเราน่าจะทำสวนใครเข้ามาก็จะได้ดูแลสวนอาบน้ำขึ้นมาแล้วก็จะดูต้นไม้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 เออพิกที่พักพาอาศัยสาธารณะประโยชน์เออช้างตอนนั้นก็ขึ้นไปเป็นช้างเอราวัณช้างสามหัวจากนั้นก็เทวบรทั้ง32คนิบสคนเออขึ้นไปนั่นอ่ะไปเกิดจุบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่้านางสุจิตานางสุนันทา น, นางสุธรรมาน่ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์แต่นางสุจิตาเนี่ยขึ้นไม่ได้ เออเพราะไม่ได้สร้างบูรณอะไรเลยจากนั้นนานี่ไปเกิดเป็นนกย่างบ่เนี่ยไปคนละทางกันเนี่น่แหละกรรมจำแนกสัตว์เนีทั้งที่พระอินทร์ขึ้นบนสวรรค์นางนางจูดชาดาเนี่ยไปเกิดเป็นนกยางอยู่ในริมหนองหนองน้ำไงนกย่างนกกระยางขาวแต่นี่พระอินทร์ก็อยู่บนสวรรค์ขึ้นมาเออพวกเราขึ้นมาหมด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 อนางก็ก้มหน้าอยู่ตลอดนางจูชาดานกยางตัวนี้โอ้ยขอดิฉันลงไปอยู่ที่เก่าเทินเหมือนกันถึงอยู่ที่นี่เลมีความสุขก็จริงอยู่แต่มันทุกข์ใจเหงือนกันพอพกทั้งสามนางมันเป็นเมียของมรคามาดรบันเยอะใหญ่เท่าไงดูถูกอ ย, อยู่โดยในเหมือนนนางก็ทีนี้นางจูชาดานี่นก็เลยขอลงมากลับมาที่เก่าเทิะ